ในเราเรียนไปสามสัจจะแล้วนะทั้งทุกขสัจสมุทัยสัจแล้วก็เนโรสัจจะนี่ในบรรดาสัจจะสาประการที่ที่กล่าวไปสัจจะสองข้างต้นคือทุกขับสมุทัยนั้นเป็นโลกิยะเนโรสั จ, จะเป็นโลกุตระทุกขับสมุทัยนั้นเป็นสังคตะ นิโรธเป็นอสังขต ะ, งะทีนี้ในบรรดาสัจจะเหล่านั้นที่กล่าวไปแล้วที่สำคัญมากที่เราต้องเอามาคิดคือทุกขสั์กับสมุทยัยสัจความรู้ในทุกขสั์ที่บริบูรณ์ควรจะแค่ไหนถ้าตั้งคำถามแบบนี้นะเรารู้ทุกขสั์พอหรือยังเรารู้ทุกขสั์ว่าเป็นอย่างไร นะนะเรารู้รู้จักทุกขสัตว์เท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่นะัรู้จักทุกขสัตว์ดีไหมอันนะัถ้าถ้าตั้งคำถามแบบนี้นะเรารู้จักทุกขสัตว์แค่ไหนแล้วเรารู้จักทุกขสัตว์ว่าเป็นอย่างไรนั่นและนะแล้วต้นเหตุแห่งทุกขสัตว์เหล่านั้นทั้งมวลเนี่ยมาจากไหนอะไรเนาคือเหตุปัจจัยให้เกิดทุกขสัตว์อันะ เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์สัตว์นั่นแหละที่เรียกว่าสมุทยัทยสัจจะแล้วสมุทยัทยสัจเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างไรฉนั้นความรู้ในทุกขสมุทยัยนั่นแหละเรียกว่ากรรมมักตาญาณคนที่มีความรู้ในทุกขสมุทยัยดีเนี่ยเรียกว่ารู้สมุทยัทยสัจจะเพราะว่า สมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์ไหนนั่นก็คือเหตุแห่งวัตถทุกข์คือตัวตัณหาเนี่ยนะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นนะ่ะตัวตัณหาลำพังสภาวะของมันเองมั น, ม, นมันทําอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกแต่ก็คือเข้าไปพ่วงเอากรรมมาเขาก็ไปดึงเอากรำร ม, มา เพราะว่ากรรมนี่ในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของตันหามนั้นตันหานี่เป็นปัจจัยทําให้เกิดกรรมกรรมก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต์นั้นความรู้ในสมุทัยสัจจะหรือในทุกขับสมุ ท, ทยัยนั่นแหละเป็นกรรมมรตายาณเพราะว่า ทุกกับสมุทัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันทุกขสัตย์ในฐานะปัจจยบันคือผลสมุทัยสัตว์ถ้าในฐานะเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยนั้นความรู้ในกรรมและผลของกรรมนั่นแหละเป็นกรร ม, มสกตายานกรรมมักตายานในพระพุทธศาสนาของเรานะีไม่ใช่ว่ากรรมแบบประปรายทั่วไปแต่เป็นกรร ม, มสกตายานอันผู้ใดที่ จะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดนิโรศสัจจะความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของวัตะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเบื้องต้นเพราะว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้ออกจากทุก์ยังไรเสียยังไงก็ต้องขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ในบรรดามร์แปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิที่เป็นเบื้องต้นอย่างไรเสียก็ต้องเป็นกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิตัวมร์เนี่ยนะทั้งมิจฉามร์ทั้งสัมมามร์เนี่ยมันก็จะมีเหตุหรือเป็นตัวที่เชื่อมโยงมาคล้ายๆกันอย่างสมมติถ้าเราพูดถึงมิจฉามร์นะ มิจฉามรกทั้งหลายข้อปฏิบัติผิดทั้งหลายก็ขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิอันนี้ถ้าเรามาดูข้อปฏิบัติที่ผิดคนถ้ามีความเห็นผิดและอะไรตามมาความคิดก็ผิดอันนั้นเป็นเรียกว่ามิจฉาสังกปะอันนพอเห็นผิดก็คิดผิดพอคิดผิดและอะไรผิดตาม คำพูดก็เป็นคำพูดที่ผิดสัตว์ทั้งหลายเมื่อพูดสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นก็คืออะไรการกระทํากรรมอันนะีก็คือการทำที่ที่ผิดตามเมื่อทำอันนะีทั้งกายกรรมทั้งสิ่งที่ทําคําที่พูดก็คืออาชีพใช่ไหมมันก็ไม่พ้นอาชีพไปได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นก็จะเป็นที่มาของ อาชีพเมื่อมีอาชีพอย่างใดอย่างไงก็ต้องความเพียรก็ต้องมีอยู่แล้วทีนี้เมื่อเพียรอย่างเงี้ยความเพียรของเขาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามการระลึกแต่ความระลึกอันนั้นชื่อว่าผิดทรงจํามาผิดคิดผิดกันเรียกว่าระลึกผิดพอระลึกผิดอะไรก็สงบแบบผิดผิดพอสงบผิดนะไอ้ความสงบเนี่ยเป็นอาหารอย่างดีของ มิจฉาทิฐิเนี่ยนะถ้ากระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างนี้มากๆขึ้นก็ปฏิสนธิในอบายเนี่ยนะชีวิตทั้งชีวิตที่ทำอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะก็เป็นพฤติกรรมคำพูดที่น้อมไปสู่อบายโดยส่วนเดียวเพราะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าคติสองของทิฐิก็คือนรกกับเดราชานั่นเองเนี่ยนะ ทีนี้ที่ถึงกระตกนรกเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทิถฐิอย่างเดียวมันต่อด้วยสังกปะด้วยต่อด้วยคำพูดด้วยใครมีทิฏฐิอะไรโดยที่ไม่พูดไม่จามีไหมน้อยนักนะพฤติกรรมทั้งหลายก็สนองต่อสิ่งที่ทำะนะก็สนองต่อคำที่พูดมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดเนี่ยนะวนๆอย่างเงี้ยก็ตกอบายไปจนได้ มิจฉาทิถีเนี่ยพบได้บ้างที่เป็นมิจฉาทิฐิอบายก็เป็นมิจฉาทิฐิได้มนุษย์เทวดาก็มีมิจฉาทิฐิโดยที่สุดแม้กระทั่งพรหมนะพรหมก็เป็นมิจฉาทิฐิเมื่อพรหมเป็นมิจฉาทิถิในในที่สุดเนี่ยนะพรหมก็วนลงมาในระดับล่างๆอีกจนได้เพราะนวตกรก็เป็นไปในลักษณะนี้มิจฉาทิฐินั้นเป็นตัวที่ที่ทําให้ เฝ้าวัตตะโดยประการทั้งปวงที่ตั้งคนถามว่าแล้วพรมเป็นมิจฉาทิฐิได้อย่างไรพรมมิจฉาทิฐิได้ไหมได้พรมสำคัญตนว่าตนนี่เป็นพระเจ้าเขาคือผู้สร้างโลกอย่างในพรมนีมันตะนาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือในสูตรอื่นๆอีกหลายสูตรที่กล่าวถึงว่าพรมก็มีความเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือผู้สร้างโลกเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ หรือแมก้กระทั่งในพรหมชาลสูตรเนี่ยนะเขาเข้าใจว่าเขานี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้มีอํานาจเหนือโลก น, นะฮะถ้าใครนอบน้อมปฐวีก็ชื่อว่านอบน้อมเขาใครนอบน้อมไฟก็ชื่อว่านอบน้อมเขาเป็นต้นเนี่ยนะนพรหมเองก็ในที่สุดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อถึงพรหมโลกในที่สุดก็วนไปสู่อบายจนได้ไดังคําถามว่าเราเคยเกิดเป็นพรหมกันไหมถ้าตามคติตามผู้ศาสนา เคยนะแต่ก็ยังเวียนมาอย่างนี้อีกจนได้อันนี้คือเหตุปัจจัยของอบายภูมิถ้าเป็นมนุษย์กับเทวดาเลยนะถ้าเป็นมนุษย์กับเทวดาก็ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ระดับอะไรเบืเ้องแรก ก, ก, ก็คือระดับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิใครมีความรู้ในเรื่องกรรมยังไงก็ต้องเอาเรื่องกรรมมาคิดใช่ไหมความคิดอันนั้นที่สอดคล้องตามกรร ม, มสกตาความรู้ในกรรมและผลของกรรมอันนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะพราะคิดตามตามความรู้ในที่เป็นกรร ม, มสักตาขันคายเอาเรื่องกรรมมาตรึกบ่อยๆมาคิดบ่อยๆอันนั้นเป็น สัมมาสังกัปปะนะใครคิดเรื่องกรรมบ่อยๆยังไงก็ต้องเอามาพูดสิ่งที่พูดก็ต้องทาก็อาชีพะนะต่อด้วยวิริยะต่อด้วยสติต่อด้ว ย, ว ย, ว ย, ส, วยสมาธิสมาธิในเหตุใกล้อย่างดีของ สัมมาทิฏฐิพูดในแง่นี้คือเรียกว่าพูดแบบมรรคปัจจัยพูดแบบสายมรรคปัจจัยนะเป็นการแสดงแบบมรรคปัจจัยตั้งอุปนิสัยเพื่อไปสู่ที่ใดเพื่อไปไปเกิดที่ใดนะพวกนี้มรรคปัจจัยเขาเป็นแบบนี้มรรคปัจจัยขณะที่เกิดขึ้นก็เป็นผลหมุนมุนอยู่ลักษณะนี้เสร็จแล้วก็ตั้งอุปนิสัย อันนี้แหละเรียกว่าอันนี้นะมรรคไปสู่อบายอันนี้ก็เป็นมรรคไปสู่มนุษย์กับเทวดาถ้าเป็นพรมพรมก็จะเป็นสัมมาธิฏฐิอีกอันหนึ่งเหมือนกันในชะสัมมาธิฏฐิอันนี้ระดับไหนเป็นฌานสัมมาธิฏฐิถ้าเป็นฌานสัมมาธิฏฐิก็จะต่อด้วย สัมมาสังกัปปะเอกก็ก็จะวนอยู่อย่างนี้ถ้าถ้าทางไปสู่พรหมโลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ทางแห่งคติห้าใช่ไหมและทางที่ทำให้พ้นคติอนะ่กนะมรดปฏิปทาใดเพื่อนำไปสู่นรกพงก็ตรัสรู้มรดปฏิปทาใดนำเพื่อไปเกิดใน เปรตหรือมรกใดปฏิปทาใดทำให้เกิดในเดรัชานมรกใดปฏิปทาใดที่นำไปสู่การเกิดเป็นมนุษย์มรกใดปฏิปทาใดเพื่อ น, นำเกิดไปสู่ความเป็นเทวดาหรือพรหมทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ทางอีกอันหนึ่งก็คื อ, คอทางที่เรียกว่าทางออกจากวัตตะหรืออีกสูตรหนึ่งเรียกว่าทางแห่งความพ้นทุกข์ที่หมายถึง อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี้เรียกว่าทางที่พ้นจากทุกขเพราะยังไงมันก็ต้องขึ้นด้วยทิฏฐิเหมือนกันแต่ความรู้ที่จะทําให้ออกหรือทําให้พ้นทุกขนั้นต้องขึ้นต้นด้วยอะไรสำ ม, มาทิฏฐิสำ ม, มาทิฏฐิประเภทไหนประเภทสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิแล้วก็ผลสัมมาทิฏฐิสำ ม, มาทิฏฐิระดับ วิปัสนาที่เป็นปัจจัยแก่อริยมตรตสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะเป็นทางแห่งความดับทุกข์ทีนี้สําคัญที่สุดนั่นไอการปูพื้นฐานสัมมาทิฏฐิเพื่อเกิดเป็นเทวดากับเกิดเป็นพรมเนี่ยบาตรานี่ไม่หนักหนาสักเท่าไหร่แต่ถ้าสร้างบาตรานเพื่อนําออกจากทุกเนี่ยนะ สัมมาทิฏฐิกรร ม, มสกตาก็ต้องเป็นกรรมมสัสกาอย่างดีเป็นกรร ม, มสกตาชั้นดีแล้วก็ตัวฌานสัมมาทิฏฐิก็ตั้งอุปนิสัยเพื่อเป็นบาตในเกในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะซึ่งจะต่างจากสายพรหมเนี่ยนะการปฏิบัติเพื่อเกิดในพรหมทั้งหลายเขาก็เน้นให้ฌานาจิตเกิดเพื่อเอาฌานาจิตอันนี้เป็นสเสบียงทางเพื่อเกิดใน พรหมโลกแต่ผู้ที่เจริญสัมมาทิฐิที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นนะนะเขาจะตั้งอุปนิสัยเหล่านี้เพื่อความตรัสรูม้มรรคผลทีนี้ในบรรดาสัมมาทิฏฐิเมื่อกี้ที่กล่าวว่าสัมมาทิฐิที่จะเป็นบาตรที่ทําให้ถึงความพ้นทุกข์ก็ยังไงก็ต้อง กรรมมกตาสัมมาทิฐิวิปัสนาสัมมาทิฐิทีนี้ของเราทั้งหลายมีกรรมมศกตาสัมมาทิฐิดีพอหรื อ, อยังมีพอหรื อ, อยังเดี๋ยวนะเรามีความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมดีพอไหมถ้าพอแล้วเป็นยังไงพออ่านะ เพราะความรู้ที่เป็นกรร ม, มสกกาสัมมาทิฏฐิที่ดีบริบูรณ์เนี่ยนะเอาพูดแบบบริบูรณ์นะละความสงสัยในอดีตอนาคตกับปัจจุบันนะอดีตอนาคตปัจจุบันเกี่ยวกับชีวิตของเรานะีในกับชีวิตของสัตว์อื่นเนี่ยราเราหายสงสัยหรือยัง อันนี้ตั้งๆคําถามตอบด้วยความสุจริตใจเนี่ยนะเราสงสัยในเรื่องอดีตรหรือไม่สงสัยในเรื่องอนาคตรหรือไม่ข้ามสงสัยในปัจจุบันหรือไม่เราข้ามความสงสัยเหล่านี้ได้แล้วหรือถ้ายังข้ามความสงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ได้สแสดงว่าความรู้เรื่องกรรมเราไม่ดีเนี่ยนะอันนี้นายหนึ่งอีกนายหนึ่งพระรัตะนตรัยนี่นยนะ คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรามีความเข้าใจดีแค่ไหนความรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฐิทั้งหมดเลย ย, นะเย้อนกลับมาที่เรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฐินี้เอาข้อสิบมาพูดเลยนะคือไม่สงสัยเลยว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถตรัสรู้ด้วยตัวเองแล้วเอามาสอนผู้อื่นได้มีอยู่คือใคร คือ พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติดีโดยลำพังพระองค์เองเอนะแล้วสอนให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยอย่างเช่นว่ า, เ, าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่เราต้องเอาตอนไหนมาอภินิหารอภินิหารแปลว่าความปรารถนานะความเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมตั้งความปรารถนา ปรารถนาอย่างเดียวพอไหมไม่พอปกติถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะปรารถนาจะสำเร็จได้ต้องประชุมธรรมะมีองค์แปดเมื่อตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็อะไรบารมีบาเพ็ญบารมีสามสิบมหาบริจาคนะมหาบริจาคห้าอธิษฐานธรรมสี่แล้วก็อัธยาศัย อัธยาศายหกเนี่ยนะอัธยาสายหกนะจริยาอีกสามเนี่ยนะเป็นต้นนะนะก็ไม่ใช่มีเท่านี้นะมีมากกว่านี้อีกเมื่อบารมีหรือคุณธรรมเหล่านี้บริบูรณ์ก็เพียรปนิทานนะครัว่าประทานนนะประทานคือความเพียรพระองค์ก็ตั้งความเพียรคือประทานแล้วก็ตรัสรู้ เนะี่ยพระองค์ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัจนะเมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจพระองค์ก็เลยเป็นพระอาหารหันใช่ไหมเป็นพระอาหารหันแต่เป็นพระอาหารหันแบบพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหัน ที่เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพวกตรัสรู้อะไรสรุปสรุปตรัสรู้อริยสัจอริยสัจ ต, ต, ตรัสรู้ว่ายังไงนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโร ธ, โรธาคามินีปฏิปทานี้ทุกอะไรทุกนี้ทุกขทุก นี้วิปริณามทุกข์นี้สังขาระทุกข์นี้ชาติพิทุกขาเป็นต้นนั่นเอง น, นะก็คือสามารถมาประมวลทุกเหล่านั้นก็คือขันธ์ห้าทุกเหล่านั้นก็คือตาหูจมูกเลนกายใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นตัวทุกอันนะเมื่อเรารู้ว่านี้ทุกในอดีตที่ผ่านมาก็คือทุกอนาคตที่จะมีต่อไปก็คือทุก ปัจจุบันนี้ก็คือกองทุกใช่ทุกขะทุกสังขาระทุก์วิปริณามทุกนะอดีตก็คือกองทุกปัจจุบันก็คือกองทุกอนาคตที่จกมีต่อไปก็คือกองทุกเพราะฉะนั้นผู้ที่เครียกว่าละความสงสัยได้คือไม่สงสัยเลยว่าอดีตก็คือทุกอนาคตก็คือทุกปัจจุบันก็คือก็คือทุกนะ ไอ้พวกนี้ที่จะเรียกว่าละความสงสัยแล้วทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดทวนอีกครั้งหนึ่งนะทุกเหล่านี้ทั้งที่เป็นทุกขทุกข์สังขารทุกข์วิปริณาทุกข์เนี่ยนะซึ่งขยายเป็นชาติทุกข์ชราทุกข์พญาที่ทุกข์ทุกเหล่านั้นก็คืออะไรขันท่าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่า อายตนะเนี่ยนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือธาตุขันอายตนะธาตุนั่นแหละคือทุกขันทั้งหลายเหล่านี้ทั้งอดีตเมื่อในอดีตที่ผ่านมาขันก็เกิดจากปัจจัยอายตนะก็เกิดจากปัจจัยธาตุก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ขันก็เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปขันทั้งหลายก็จะมีเพราะปัจจัยเกิดขึ้น นี้ในบรรดาปัจจัยที่จะทําให้เกิดขึ้นเนี่ยนะเอาสมมุติถึงมองถึงปัจจัยที่จะสร้างขันธ์าตุอายตนะเนี่ยเราเราเรามองไปที่ไหนก่อนในระดับแรกขันธ์าตุอายตนะที่มันน่ากลัวเลยนะสำหรับเราขันธ์าตุอายตนะไหขันธ์าตุอายตนะไหนที่มันน่ากลัวที่สุดถ้าพูดภาษาคนที่ที่ ท, ที่ที่จะออกจากวัฏะนะถือเอา ขันท่าอายตนะตอนไหนเนี่ยน่ากลัวที่สุดอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตใช่เออคือจะเรียกว่าอนาคตก็แต่ว่าเป็นอนาคตที่ไม่แน่นอนที่น่ากลัวจริงๆก็คือขันท่าอายตนะที่เรียกว่าชาติคือการเกิดสรุปว่าอดีตที่ผ่านมาก็คือทุกอนาคตที่จะมีต่อไปก็คือทุกปัจจุบันนี้ก็คือกองทุกอยู่เนี่ย ทีนี้ในบรรดาทุกที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะทุกไหนก็ชาติทิยยทุก น, นะเพราะว่าหลังจากเกิดมาก็แก่หลังจากแก่ก็ตาย <c oughs> เขาบอกว่ามหาอุบาทที่สุดเนี่ยนะคือชาติโอ้แต่ก็แฮปปี้เบิร์ตดขอยินดีด้วยนะที่ได้เกิดมาทุก ขอแสดงความดีใจในวันครบรอบทุกกี่รอบอ่ะว่าไปตามนั้นไปท่องกันหน้าดูเลยนะเพราะว่าผลพวงของชาติก็คือชรากับมรณะมันจะเกิดที่ใดเกิดเมื่อไหร่เกิดตานใดก็ตามมันก็เกิดแก่ตายะนะเกิดเพื่อแก่เพื่อตาอยอ่ะนั่นเองแต่ของเราหลังจากเกิดมาแล้วก็อันที่จริงนะฉลองวันเกิดกับฉลองวันตายเนี่นอยู่ใกล้กันนะ ถ้าไม่ตายมันจะเกิดได้ยังไงอมันก็เท่ากับว่าที่จริงนะมันก็เตือนอะไรตั้งเยอะแยะแต่ว่าไม่คิดอริ ย, ยสัจสักอย่างเดียวก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรฉลองที่ได้พ้นดีที่ตายชาติที่แล้วได้มาเกิดชาตินี้สัาทีทาาใช่ ตอได้เตือนนะว่าขนาดแม่ยังตายเลยแล้วลูกจะเหลือหรือทีนี้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วชาติคือการเกิดเนี่ยนะระบบอการเกิดมีกี่ประเภท ท, ที่ที่ที่ต้องคิดนะการเกิดมีกี่ประเภทหนึ่งแล้วแต่คิดเนี่ยเกิดแบบอะไรถ้าพูดแบบพบนะก็แบ่งเป็นการมาพบรูปประพบอารูปประพบ ก็เรียกว่าการเกิดทั้งนั้นนะแล้วมองแบบกำเนิดอะ่ะแบ่งปักกำเนิดก็คือเกิดในคั น, เ, นเกิดในไข่ เ, เกิดในเท่าใครเนี่ยนะเกิดใน เ, เรียกว่าโอปาติกะก็เกิดแบบกำเนิดสหรือแบ่งเป็น คติห้านรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาถ้าแบ่งแบบวิญญาณปฏิสนธิจิตก็เรียกว่าวิญญาณทิติเจปฏิสนธิจิตต่างกันรูปร่างกายที่แตกต่างกันปฏิสนธิจิตที่ต่างกันร่างกายเหมือนกัน ปฏิสนร่างกายเหมือนกันปฏิสนที่จิตปฏิสนที่จิตต่างกันหรือว่าร่างกายเหมือนกันปฏิสนที่เหมือนกันอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญยาญตนะก็ไล่ไปอย่างงี้หรือถ้าเพิ่มเป็นสัตวว่าดเก้าสัตวว่าดเก้าก็คือเพิ่มอสัญญาสัตย์กับเนวสัญญานาสัญญาญตนะนะก็คือ พบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณที่ตเจ็ดสัตวาวาสเก้าเนี่ยสัตตาวาสเก้าแล้วกรรมที่จะนำมาสู่การเกิดในลักษณะนี้มาจากไหนมายังไงะนะกรรมที่มานำเกิดอะนะกรรมที่มานำให้มีชาติเนี่ยมายังไงกรรมที่นำเกิดเรียกว่าเจตนา ที่เป็นเหตุนะเรียกว่าเจตนาเรียกว่ารวมๆคือเจตนา29ที่นําเกิดในในภพต่างๆนะแล้วเจตนาที่ที่นำเกิดในภพต่างๆเนี่ยก็แบ่งเป็นอกุศลเจตนา12มหากุศลเจต น, นา8รูปราวจรกุศลเจตนา5อารูปราวจรกุศลเจตนาอีก4พูดถึงว่าเฉพาะตัวที่นําเกิดเนี่ยที่เป็นอกุศลมี ส1 11. แต่ก่อนตายเนี่ยมีได้ทั้งสิบสองแต่ว่าตัวที่นำเกิดเนี่ยนำปฏิสนธิการได้แค่สิบเอ็ดวงนี่ทนะีนี้ถ้าอากุศลนำเกิดพบคืออะไรมหากุศลนาเกิดพบคืออะไรรูปราวจรกุศลนำเกิดพบคืออะไรก็ระจะไล่มาได้อย่างนี้ใช่ไหมอากุศลนำเกิดรหัสง่ายๆอบาย4ีอนะไร ถ้ามหากุศลนำเกิดมนุษย์กับเทวดาถ้ารูปราวจรกุศลนำเกิดก็รูปประพรมถ้าอารูปราวจรนำเกิดก็เรียกว่าอารูปประพรมนนะแล้วก่อนที่จะมาทำกรรมอย่างนี้มาจากไหนตันหาอุปาทานเบื้องหลังของการทำกรรมเหล่านี้นะคือ ตันหากับอุปาทานทั้งนั้นถ้าไม่มีตันหาไม่มีอุปาทานยังไงก็ไม่เป็นไม่เป็นกรรมใช่ไหมเนื่องจากกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยแล้วถามว่าตันหาอุปาทานเหล่านี้มาจากอะไรสุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนานะเวทนาสามนี่แหละเป็นปัใจจัยแกตันหากับอุปาทาน ทีนี้เวทนาสามเหล่านี้ยังไงก็มาจากผัสสะผัสสะก็มาจากอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมาจากไหนก็มาจากนามรูปนามรูปมาจากไหนก็มาจากชาตนะิมาแบ่งประเภทเป็นอย่างนี้ขึ้นนะทีนี้ส่วนที่น่าสังเกตที่สุดเลยเนี่ยนะนะสำหรับคนที่จะออกจากชาติคือคนที่จะออกจากการเกิด การปฏิสนธิเนี่ยก็ต้องรู้เงื่อนไขว่าเอ็มเวลานำเกิดมันนำเกิดยังไงเวลาจะเกิดนะเกิดได้ยังไงถ้าอากุศลจะนำเกิดนำเกิดได้ยังไงถ้ามหากุศลนำเกิดจากนำเกิดได้ยังไงคุณมนมีว่ายังไงถ้ากรรมมันจะนำเกิดมันนำเกิดเมื่อไหร่ยังไงที่ไหน อ, อ๋อไม่รู้จะตอบยังไงถามหลายประเด็นเกินไปเนาะจริงเมื่อวานก็ได้กล่าวไปบ้างเลยใช่ไหมว่าถ้ากรรมจากนำปฏิสนธิในภพหมายเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงน่ะคือของเราเนี่ยนะในกลุ่มกรรมที่พวกนี้เป็นอนันตริยกรรมนะ ถ้าได้อะรูปราวจรกุศลอรูปราวจรกุศลนี่ถือว่าแน่นอนตายตัวถ้าไม่เสริอมนะอันนี้อนันตริยกรรมแน่นอนตายตัวแต่ว่าในห้องเรานะถ้าใครได้ก็อนุมโมทนาด้วยแต่ถ้าไม่ได้ก็มารเรียนพวกไม่แน่นอนนี่อ น, นิยตาธรรมาพวกนี้นะอะกุศลสิบอมหากุศล8อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอ น, นิยตาธรรมา อันนียตาปแปล ว, ว่าไม่แน่นอนอ น, นะแต่ถ้าอนันติยกรรมอันนี้แน่นอนพวนี้เป็นอนิยตาทรมาเดกก็มาแบ่งว่าชาวนะจิตที่เป็นอกุศลก่อนอ่ะเรามาดูที่เป็นกุศลกับเป็นอกุศลเนี่ยนะถ้าเป็นอกุศลคิดยังไงจึงเป็นอกุศลอ รู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหรเราเป็นอกุศลคิดง่ายๆรู้ได้ยังไงอ่านนะ